อยากจะถามถึงการปฏิบัติอ่าของญาติโยมเราทั้งหลายซึ่งในธรรมานีแน่ใจแล้วนี่อย่างการทำกรรมฐานนี้ทําอย่างนี้ประกันมีความแน่ในใจแล้วหรือย่ง า, รร า, อยา ง, าาในในใงเพราะว่าอาจารย์ที่สอนส ร, รมถานนี้ถือว่นิ่มมากมีทั้งพระสูงด้วยมีทั้งฆราวา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 จะทําจิตใจเราให้สงบได้เป็นมั่นคงอ่ะการทําจิตให้สงบเรียกว่าการทําสมาธิหรือเดียกว่าการทํารรมทานจิตของเรานี้มันเป็นสิ่งที่กลับกรอบมากดูที่เราทำกันมาเห็นมไหมละ่ะบางวันนั่งพับเรียบก้สงบแล้วนะนะ บางวันนั่งยังไงมันก็ไม่สุกมันดิ้นออกมาอยู่จะได้บางวันก็สบายบางวันมันก็ไม่สบายนี้นี่มันคือแสดงอาการขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้แต่ให้เข้าใจว่าอ่มัจแปดประการนั้นมันรวมอยู่ที่ศีลสมาธิปัญญาไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเรารวมเข้ามาแล้วมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเช่นเราทำปัจจุบันนี้ก็คือเราทำมักให้เกิดขึ้นนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลนละวิธีการนั่งท่านเนนดับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรานนัเอง มองดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราดับตาเขาไปเนี่ยมันจะกลับเข้ามาข้างในมันจะมีความรู้หลายๆอย่างเกิดขึ้นมาในที่นั้นนี้ก็เป็นวิธีอันหนึ่งที่จะเป็นวิธีที่ให้เกิดปัญญาคือสมาธิเมื่อเรานั่งดับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะ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 เราจะได้มองเห็นหว่าลมเราเป็นอย่างนี้พวามรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราถึงจะรู้จักที่รวมของสมาธิรวมแห่งมัคคสาม์สมาในที่อันเดียวกันเมื่อเราทำสมาธิกำนดจิตต้วยกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียว รอบๆข้างมันนี่ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันวางข้างนอกหมดรู้ลมออกอย่างเดียวทั้งนั้นนะมันวางข้างนอกอย่ามีความนึกว่าคนนี่นั่งอยู่ตรงโน้นคนนี่นั่งอยู่ตรงนี้อะไรวุ่นวายเนี่ยมันได้เข้ามาเราอย่างมันบอกเสีว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้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 ไม่แลงปล่อยสภาพมันให้มันพอดีเราก็นั่งดูวมหายใจนี่เขา้าเมื่อมันปล่อยอารมณ์ข้างนอกเสียงรถยนต์ก็ไม่ลำคาญเสียงอะไรก็ไม่ลำคานไม่ลำคาญสักอย่างหนึ่งข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่ลำคาญทั้งนั้นอนะ่ะเพราะว่ามันไม่รับและมันมารวมอยู่ที่ลมหายใจแล้วถ้าจิต ของเราวาุ่นวายกับสิ่งต่างๆมันไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องอสืดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าไม่มีทีเด็บแล้วปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่ามันหมดในท้องเราสักสามครั้งก็ตั้งหรือความรู้ใหม่รวมอีกต่อไปเราตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งแล้วก็สงบไป เป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งอีกมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้ก็มีวุ่นวายติดมาเมื่อมันเป็นเช่นนั้นขึ้นมาอีกแล้วก็กําหนดจิตใจแล้วให้ตั้งมัน่นแล้วับสือดอรวมเข้าไห้มาที่สุดหายลมออกไปให้หมดในท้องเราแล้วก็สือดอรวมเข้าไหมากที่สุดพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีก กำลนดลงนั่นต่อไปอีกวก็กลับมาตั้งสติกลับลงหายใจออกเข้าทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้นในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ชำนาญมันจะวางข้างนอกมันจะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็จะส่งเข้ามาไม่ถึง มเมื่อทรงข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นจิตของเราจิตคือความรู้สึกหนึ่งเรื่อารมณ์หนึ่งเรื่อารมณ์หนึ่งอยู่ที่ปลายจมูกเรานี้สติตั้งมั่นดูรงเข้าออกสบายต่อไปอีก ลมนี่ถ้าจิตสงบแต่ลมนี่มันหยาบแล้วมันจะน้อยเข้ามามันน้อยเข้าไปน้อยเข้าไปทุกทีนะอ่มันน้อยเข้าไปอารมณ์มันละเอียดอารมณ์ละเอียดมันจะน้อยไปน้อยไปร่างกายเราก็เบาจิตเรามันก็เบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปต่อ น, นั้นไปแความรู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างใน เมื่อรวมเข้าออกลางนแล้วไอ้ความรู้สึกอยู่ในที่มันรวมขึ้นเมื่อรวมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดและมันจะมีสติชัดเดี๋ยจะเห็นอารมณ์ชัดชัดขึ้นทุกอย่างในตรงนั้นมันจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่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 เห็นลงชัดเห็นสติมันมีสติชัดขึ้นมาแลยมีความรู้สึกชัดขึ้นมาอหลายอย่างเห็นจิตอยู่ในที่นั่นรวมเป็นอันเดียวกันแค่นี้มีความรู้สึกเข้าข้างในไม่ไม่ส่งออกไปข้างนอกข้างนอกไอ้ไข้มันหมดไม่มีใครไปทํางานอะอยู่ข้างในบ้าน่ะรวมเป็นข้อเสบายความรู้สึกนั้นอวางจากข้างนอกบางทีมันก็มีความรู้สึกอยู่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 ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้เพราะตรงนี้มันจะเกิดนิมิตขึ้นมาก็ได้เสียงก็มีก็ไรูป ก, ก็มีได้มันมีทุกอย่างให้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะมันเกิดขึ้นมาไห้ตรงนี้เเมื่อหากว่านิมิตเกิดจะมาตรงนี้บางคนมันก็มีบางคนก็ไม่มีทีนี้ท่านจึงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนก็เห็นว่า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 ที่สุดของสมาธิแน่มีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่วันไหว mm. เมื่อสมาธิถึงจุดนี้จะมีความแตกต่างสารพัดอย่างที่จะมันรู้ในจิตของเรา mm. บางทีก็ร่างกายนี่บางทีมันเบาที่สุด mm. เมื่อมันเบาที่สุดบางทีก็ไม่มีไม่มีร่างกายค่ายๆนั่งอยู่อากาศอย่อ เบาทั้งหมดมองนึกดูที่ไหนไม่มีแล้วอยู่ออกลางอากาศอย่างนี้ซึ่งไม่อาจที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เปล่าทั้งนั้นว่างอันนี้มนันเป็นของแปลกอันนี้ อ, อันนี้ก็ให้เข้าใจว่าอันนี้ไม่เป็นอะไรเราทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคงเรื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่มีอารมณ์อะไรมาเสียแทงอยู่ไปเท่าไรก็ได้ ไม่มีรู้สึกเวทนาเก็บปวดอะไรอยู่เห็นไหมการทำสมาธิมาถึงที่นี่เราจะออกจากสมาธิก็ะดไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธินี่ไปออกสบายออกอย่างสบายไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบาย ไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรมามันจะสบายถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้อย่างนั่งวันนี้มันเข้าสมาธิยังดีต่อสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งจิตใจของเราจะมีความเยือเกเย็นไป็ตั้งหลายวันเ ม, เมื่อเมื่อจิตเยือเกเย็นหลายวันนั้นจิตเราสะอาดเห็นอะไรจะรับพิจารณาทั้งนั้น อันนี้มันเป็นเบื้องแรกของมันต่อไปนี่รีกว่าพ้นเกิดจากสมาธิสมาธินี่มีหน้าที่ทำให้สงบอืนสมาธินี่ก็มีหน้าที่อย่างศีล น, นี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งปัญญานี่ก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งอาการที่เรากําหนดในที่นั้นนะมันจะเป็นวงกลมอย่างนี้ตามที่ปรากฏในใจของเรา มันจะมีศีลอยู่ตรงนี้มีสมาธิตรงนี้มีปัญญาตรงนี้นะเมื่อจิตเราสงบแล้วนะมันจะมีการทั้งวอนทั้งรวมเข้าช่วยปัญญาด้วยกำลังสมาธิเมื่อทั้งรวมเข้ารละเอียดเข้าวนะมันจะเป็นกำลังน่ะมันจะเป็นทรรมกำลังช่วยศีลให้บริสุทธิ์ขึ้นมามากๆเมื่อศีลบริสุทธิ์ขึ้นมามากๆแล้วั็ช่วยสมาธิเกิดเกิดมากดีเกินมากเมื่อสมาธิเป็นแล้วจะช่วยปัญญามันจะช่วยกันอย่างนี้ เป็นวัยพดชื่ง ก, กันในการต่อไปรอบอย่างนี้จนกว่าว่ามมัตคือสินสมาธิปัญญานี่รวมเป็นข้อเดียวกันแล้วนะทํางานสมำเสมอกันแล้วนะ่ะอืมเป็นต้นจะต้องรักษากําลังอย่างนี้อืมอันนี้เป็นกําลังที่จะเกิดนิปัสินาคือปัญญาถึงแม้ว่ามันจะสงบหรือไม่สงบโลก็มีกําลังแล้วเออไม่สงบระมีเป็นยึดมัน่นมันเลยสงบคนไปยึดมัน่นมันเลยเช่นนี้ เราจะได้ปล่อยภาระอันนี้ใจเรามันจะเบาหรือจะได้อารมณ์ที่ดีก็ได้กว่าสบายใจอารมณ์ที่ไม่ชอบใจเขาเรียกว่าสบายใจมีความสงบ อ, อยู่อย่างนั้นนี่อีกอันหนึ่งวันนี้บอกว่าเราหยุดทำกรรมาฐานแล้ววันนี้เราหยุดทำกรรมาฐานแล้วอิตที่ไม่ฉลาดตัววางเลย ไม่มีความรู้สึกนึกคิดในการงานของเราไอความเป็นจริงนั้นเมื่อเราจะออกจากสมาธิเราก็รู้จักกัาเราออกออกมาแล้ววางเป็นปกติไว้ให้มีความรู้สึกมีสติติดต่อกันเสมอนี่นีนนน่ไม่ใช่ว่าเราจะทำความสงบเสียไว้เรานั่งสมาธิเพราะว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นเราเดินอยู่เราก็ทำ ใจเราให้มั่นให้มีอารมณ์มั่นจมู ม, มีสติสัมปชัญญะอยู่ไปเสมอออกจากที่นั่งนี่แล้วหูเราได้ยินเสียงตาเห็นลูกจะเดินไปนัง่งรถไปก็ตามเถอะให้รู้สึกว่าอะไรที่มันชอบไม่ชอบใจเกิเดจะมาเป็นอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่านี้มันไม่แน่อันนี้มันไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างนั้นอกิตสงบเช่นนี้ สงบเช่นนี้แล้วเราจะต้องเอาจิตอันนี้พิจารณาลารมณเช่นว่าไอรูปร่างกายทั้งหมดนี้ก็ต้องพิจารณาพิจารณาเมื่อใดก็ได้เรานั่งสมาธิก็ได้เราอยู่บ้านก็ไดเราทำงานอยู่ก็ได้อะไรอะไรเราไ็ได้เรานั่งพิจารณาอยู่เสมอแม้เห็นต้นไม้ใบไม้ที่มัน ร่วงลงมาอย่างนี้เราเดินไปก็เห็นใบไม้มันร่วงลงมาอย่างนอันนี้มันก็ไม่แน่มันอันนี้นะเหมือนกันเล่าเหมือนกันแหละเนี่ยเมื่อมันแก่มาแล้วมันก็ร่วงไปใบไม้ก็เหมือนกันเล่าก็เหมือนกันอย่างนั้นคนโน้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะนี่เดียกว่ายกขึ้นสู่ปัสนา จะมีการพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยไปทางการยืนการเดินกา ร, น, การนั่งการนอนนี่สติติดต่ตอกันเรื่อยเสมอนี่เรียกว่าการฝึกกรรมฐานที่ถูกต้องเราต้องสะกดรอยติดตามอยู่เสมอที่เราทํากันอยู่วันเนี้ยวันนี้หนึ่งทุ่มเนี่ยมาทําสมาธิกันอย่างนี้นั่งในชั่วโมงหนึ่งก็อยู่กัน ใจก็เลยหยุดได้ไม่พิจารณาอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หยุดการหยุดการกระทานี้หยุดได้พิธีกรรมเฉยๆให้ความรู้สึกจิตต่อกันเสมอหร ด, ด้วยออนตรมาเคยให้ความเห็นบ่อยว่าเหมือนหยุดน้ำเหมือนหยุดน้ําเราทํำในจิตต่อกันเหมือนหยุดน้ําเพราะว่าเรามีสติไม่สม่ําเสมอการบางทีเราไม่ได้ทาเลยการกระทานั้นไม่ใช่อย่างอื่นทำจิตทำ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 ทุกเกิดขึ้นมาทุกเมื่อความสงบเกิดขึ้นมาทุกเมื่อวุ่นวายเกิดทุกอย่างเรียกว่ามีสติอยู่สังบออยู่สังรวมอยู่สม่ำเสมอ น, นี่อย่าอยู่ที่ไหนก็ดีว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ถ้าทาจิตอย่างนี้เนี่ยการทำภาวนานั่นเร็วเร็วมากดีมากเกิดเร็ ว, รวอย่าไปติดกันอย่างนั้นมากเดี๋ยวนี้มีอ่ะ ไปทำมีปรัส น, นากรรมาฐานอีกการเข้าสาวันก็นีเจ็ดวันก็ ม, กมีไม่ต้องพูดกันไม่ต้องอะไรกันนี้สิบวันก็มีที่ห้าวันก็มีแล้วก็ออกมานะเราออกมาแล้วก็นึกว่าเราเไปทำมีปรัส น, นาแล้วดีแล้วออกมาก็ไปเต้นลำทำเพลงแบบสรุกสนานอย่างนี้หมดแล้วเนี่ยทำอย่างนี้มันจะมีอะไรเล่ามันก็ไม่มีอะไรกันแล้ว ไปทําความชัว่วต่างๆทํำกิจนี่เรากระทบกระเทือนเสียหายหมดแล้วปีหน้ามาอีกไปทํปาสรมถาอีกเจ็ดวันคิดห้าวันเดือนหนึ่งพอเสร็จแล้วไปอีกแล้วไปเต้นราอีกแล้วไปลอาเพลงอีกแล้วไปกินเหล้าอีกแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่การปฏิบัติเป็นปฏิปทานะเนี่ยเป็นปฏิปทานะั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 มาร้องกี่เปนเจ็ดเดือนไม่พูดเจ็ดวันเท่านั้นเนี่มันจะพุ่มกันไงเล่านี่ขอให้ทายกไยิกาเราทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายให้ให้เข้าใจอย่างนี้นพยายามทําให้มันติดต่อกันเห็นโทษในสิ่งนั้นเนี่ยมันติดต่อกันเสมอเรืด้วยแต่นั้นเนี่ยนี่กิเลมันก็จะหมดได้อย่างนั้นในเจ็ดวันไม่พูดเลย น, นี่ไม่เล่นเลย อีกสี่หเรือนเดือมด่้นตรงนั้นไม่สังบอลสังรมก็หมดตอนนั้นไม่มีเรือแล้นนะาาวเถนะเราไอหาเงินนะ่ะหาเงินวันนี้ในสาก่อนดังมาซื้อกินหมดห้าปอนวันนี้มันจะมีเงินที่ไหนก็หมดตอนนัน้นอันนี้กูมันกันแค่นั้นอันนี้เตือนนะขอโทษเลยนะ <c oughs> ขอโทษด้วยนะฮะจงพูดไปอย่างนั้นจะมาพูดเนี่ย ไอ้ที่เห็นผิดเนี่ยมันต้องเห็นให้ชัดเจนมันจึงเลิกมันได้ที่เรามาทํากันนี่ก็เดีมาทําเพื่อจะม่ให้ไปทำความผิดอีต่อไปทําความผิดทำไมทำความผิดมันเดือดร้อนมันไม่ดีมันไม่สงบเนอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าทำเจ็ดวันไม่พูดกันเนี่ยไปเล่นกันเดือนสองเดือนฉันเล่นกันเน่ะแมร่จะถึงเจ็ดวันมันจะคุ้มอะไรเมื่อไงนี่ก็ทําไปอย่างนั้นนี่ก็มาฐานหลายแห่งเคยเป็นอย่างนี้ แต่ต้องมีชีวิตของเราให้มีความสงบระงับด้วยติดต่อกันไปเรื่อๆ อ, อย่างนั้นอืมไม่ว่าจะกรรมฐานเนะยไม่ว่าจะกรรมฐานมันจะหายไปต้นไม้แล้วก็เอาทิเอามาปลูกลงวันนี้ใส่สามวันถอนออกมาไปปลูกตรงนั้นอีกปลูกตรงนั้นใส่สามวันถอนอีกไปปลูกต ร, รงนัง้นอีกตายเลยไม่ได้กินเน่ะต้นไม้ก็ตายกรรมฐานก็หมดเหมือนกันอย่างนั้นเข้าใจเลยนะ <laughs> อย่างนั้นนะออไปพิจารณานะกลับไปเนี่ยข้าต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้ในสารบันทอ น, นออกไปปลูกตรงนั้นในสารบันทอนอีกปลูกเนั้ไม่ได้กินตะตายหมดไม่มีเหลือแล้ ว, ลวกรรมฐ า, านวกวรเว้นกันไปนั่งกรรมฐ า, านเจ็ดวันออกมาเด่นอยูเ7็เดือนปล่อยจิตบเป็นทำสุปปูกิหมด แล Lebanon, estim, ang, ้วก uh ็เ huh. จ็บบันก็มาทํากรรมฐานไม dinner, ่พ mm ูดใชเนียเรียกว่าเลิกอีกมันก็ต้นไม Point, ้ไงตายหมดไม่มีเหลือแล้วกรรมฐานไม่เกิดจ้ะต้นไม้ก็ไม่เกิดปลูกนี่สามวันถอนไปปลูกตรงนั้นปลูกตรงนั้นสามวัน่ถอนไปปลูกที่ตายไม่มีเหลือหละไม่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะนี้ว่าต้นไม้เมืองนี้ต้นไม้เมืองไทยแลนด์ตายให้หมดไม่มีเหลือ กรรมฐานงานถ้ามาฐานคือมันกันเนี่ยเราไปทําสักเจ็ดวันมาปล่อยให้มันไปเล่นสกปรกสกปรกอยู่เจ็ดเดือนอืเนี่ยมันเต็มทีะแล้วออืเราคิดได้อีกไปเข้ากรรมฐานอีกเยอะนั่นเข้ า, ามาเข้ากรรมฐานอีกไม่พูดทั้งวันเลยไอ้ข้อแผลมันจะหายหาออกไปอีกแล้ว เปเล่นอีกหกเดือนเก็เดือนแล้วก็กลับมาอีกอย่างเนี้อาตมาว่าทําไม่ในผลเนี่ยลองดูนะกลับไปนี่เอตาต้นไม้ไปปลูกก็ได้ปลูกตรงนี้สักสามวันนัดที่จไปถอนอีกไปปลูกตรงนั้นอาตมาเห็นว่าตายตอลองดูก็ได้นะสนใจไหมล่ะอาตมาไม่ค่อยอยากจะมาเทศน์ เ, นเที่ยงทจ่มันผลไม่ได้มันสงสารโยม โยมทําผิดอยู่แล้วก็ไม่บอกไม่ได้ใจมันสงสารคนแต่ไปบอกโยมบางทีคนบางคนก็ไม่ไสบายใจไม่ว่าไปว่าให้เขาให้คนเป็นจริงไม่ไย้ว่าแล้วที่ไหนมันผิดก็ช่วยให้รู้จักนเน่ยแต่คนบางคนคิดว่าให้เราแล้วว่าให้เราแล้ ว, วเวงี่ยไม่ได้อย่างงั้นเราจะมาทุงนานานามาเทศทีนึงนะเทศทุกวันทุกวันไอ้โยมจะเดือดร้อนมั้นะนะ ไม่ใช่โดยโยมเดืร้อนกิเลสมันเดร้อนเท่านั้นเนี่ยวันนี้แต่แคะนี่พูดทานี้นะ